สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยยี่สิบสามตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณทั้งที่เจ็ดเรื่องฟาริสีและธรรมอาจารย์พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรมรมมาระโกบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบสามพระธรมรมมาระโกบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบสามโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ครั้งนั้นพวกปริสีและพวกธรรมจาร์บางคนซึ่งได้มาจากกรุงเยรูซาเล็มพากันมาหาพระเยซูเขาได้เห็นเหล่าสาวกบางคนรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมนตินคือมือที่ไม่ได้ล้างก่อนเพราะว่าพวกปริสีกับพวกยิวทั้งชิ้นคือตามคําที่บรรพบรุษรสอนต่อๆกันนาะมานั้นว่าถ้าไม่ได้ล้างมือตามพิธีโดยเคร่งขัดเขาก็ไม่รับประทานอาหารเลยและเมื่อเขามาจากตลาด ถ้าไม่ได้ทําพิธีชาระตัวก่อนเขาก็ไม่รับประทานอาหารและทำเนียบ อ, อื่นๆอีกหลายอย่างที่เขาถือคือล้างถ้วยเหยือกและภาชนะทองสําำริดพวกขันษ์ีกับพวกสมาชิกจิงทูลถามพระองค์ว่าทําไมพวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามคําสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่รับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นม น, นตินพระองค์จัดตอบเขว่าอิศยาได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าชื่อใจคดก็ถูกตามที่ได้เขียนไว้ว่า ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัส ก, การเราโดยหาประโยชน์ม่ได้ด้วยเขาเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าจังหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อต่ อ, ตอกันมานั้นรองตัดแกเขาว่าเหมาะจริงนะ ที่าทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ถือตามคำสอนที่ตนรับมาจากบรรพบรุษขโมยเศษได้สั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกเจ้ากลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งของของข้าพเจ้าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นกุรอบานแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วจงหลาย จึงไม่อนุญาตให้ผู้นั้นทำสิ่งใดต่อไปเป็นที่ช่วยบำรุงบิดามานดาของตนจงหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยคําสอนที่พวกเจ้ารับมาจากบรรพบรุษและสอนต่อๆกันไปและสิ่งอื่นๆเช่นนี้อีกหลายหญิงหลายสิ่งเจ้าทั้งหลายก็ทำอยู่ดองนับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้นะครับให้เรารู้ถึงความสำคัญ แห่งพระราชกิจของพระเยซูในขณะเดียวกันครับการที่พระเยซูได้ทรงทํำธรกิจของพระองค์นั้นทําให้เราเห็นถึงคนที่ตอบสนองด้วยความมืดมัวฝ่ายวิญญาณอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากครับกลุ่มนั้นเราเรียกว่าฟาริสีและพวกธรรมจา ร, ร, ร, รในคั้งพีตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงผู้นําศาสนาคือพวกฟาริสีและพวกธรรมจารแท้จริงแล้วนะครับชาวยิวนั้นมีสามนิ ก, กายนะครับ หรือสามกลุ่มด้วยกันที่ไกลแรกก็คือพวกปริสีครับพวกปริศีนั้นค่อนข้างจะเป็นพวกอรุณอนุรักษ์นิยมนะครับถือคําสอนของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาอย่างเคร่งครัดกลุ่มที่สองก็คือพวกชาดุศีครับพวกชาดุศีนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่นะครับพวกชาดุสีนั้นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์เขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นเครื่นหนายความตาย นะครับนี่คือกลุ่มของซาดูสีกลุ่มของปริสีกับกลุ่มของซาดูสีนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่กันคนละขั้วนะครับและกลุ่มที่สามก็เรียกว่าพวกเอซีนะครับเอสซีนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะยึดติดอยู่กับพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นกลุ่มที่มีชีวิตที่บริสุทธ์ครับเอซีนั้นพบในปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำศาสนาครับแต่เขารักษาบทบัญญัติของโมเสสอย่างเ่งครัน และพวกเขา ก, ก็แยกตัวออกไปอยู่กันเป็นชุมชนครับตามบันทึกนักบวชศาสตร์ชาวยีบอกว่ามีหลายคนในกลุ่มนี้ได้เชื่อในพระเยซูครับแต่ต้นฉบับของพระกัมภีที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้ขุดค้นพบในชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนทะเลตายนะครับที่เรียกว่า death sea scroll ก็คือหนังสือม้วนแห่งทะเลตายนั่นเองนี่คือคนเอซนครับพี่น้องครับกลับมาดูกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือพวกปริศีครับ แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับคำว่าฟาริสีนั้นมีความหมายคำว่าแยกตัวออกนะครับแยกตัวออกเป็นความหมายที่ดีนะครับแต่โดยการประพฤติการกระทำหรือคำสอนนะครับในที่สุดเราเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกหน้าซื่อใจคดในข้อที่หกนะครับพระเยซู ฟ, ฟันธงยิงตรงนะครับว่าอิชยาได้พยากร ถ, ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคด นะครับพวกปริศีนั้นเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความจงรักภักดีและอุทิศตัวมากที่สุดในบรรดาคนยิวทั้งหลายนะครับเราจะสังเกตว่าคนพวกนี้ออกไปทั่วดินแดนปาลิสไตน์นะครับแล้วเรารู้จักคนพวกนี้โดยการที่ดูที่ชุดแต่งกายของเขานะครับมีนักประวัติศาสตร์ระดับโลกคนหนึ่งนะครับในสมัยของพระเยซูนะครับเขาบันทึกอย่างนี้ครับว่าเขาบีชื่อว่าโจเซฟัสนะครับโจเซฟัสโจเซฟัสบันทึกอย่างนี้นะครับว่าในคราวหนึ่งมีพวกเขาถึงหกพันคน อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามีพวกข้าริสีนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับถึงหกพันคนแสดงว่าเป็นพรรคที่ใหญ่มากนะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากช่วยกลุ่มหนึ่งครับก็คือพวกชาดูสีเป็นกลุ่มข้าวิวที่เป็นนักการเมืองนะครับในขณะที่พวกปรีสีนั้นเป็นผู้นําศาสนานะครับพวกชาดูสีนั้นนักการเมืองแน่นอนครับคนกลุ่มนี้นะครับได้มีผลประโยชน์แย ะ, ยะมากมายทําให้คนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะร่ำรวยนะครับ คุณสมบัติของการที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเหล่านี้นะครับโดยเขาเห็นยิ่งพวกคอริสีนะั้นก็คือเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่ท่อ ง, งพระธรรมทีได้นะครับท่องบทบัญญัติได้นะและพวกเขาเนี่ยจะตั้งแต่งตั้งตัวเองครับให้เป็นผู้รักษาบทบัญญัติกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะคอยดูว่าคนอื่นนะครับตรวจตรวจสอบคนอื่นนะครับว่าคนอื่นปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือเปล่าเหมือนกับเป็นตำรวจนะครับคนเหล่านี้นะครับคอริสีนี้เยื่อหยิ่งมาก จองหองมากดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นบอกว่าเขาคงจะเป็นซุปเปอร์จิวนะครับซุปเปอร์จิ๋วก็คือว่าเป็นคนยืวที่อยู่เหนือคนอื่นพวกเขาต่อต้านพระเยซูครับและต่อต้านคําสอนของพระเยซูแต่พระเยซูนั้นได้ทรงประนามนะครับว่าการที่พวกเขานั้นเข่งคัดในบทบัญญัติและศาสนศาสตร์ของเขาอาจเป็นใบ้และอาจเป็นไปได้ครับที่ยิ่งกว่านั้นคือเยซูประนามว่าเขาละเลยไม่เอาใจใส่คนเจ็บใก้ได้ป่วย เขาละเลยไม่เอาใจใส่คนที่สังคมนังเกียจเขาละเลยไม่เอาใจใส่พวกที่ยากไร้ผัดสนทั้นหนึ่งครับพระเยซูเรียกพวกเขาว่าเจ้าชาติมูลายครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัดนะครับติเตียนติติงพวกเขาอยาวที่สุดพบว่าพระเยซูได้ติติงพวกนี้นะครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ยี่สิบสามถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเปิดดูนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นได้ซีเรสมากเกี่ยวกับเรื่องการติติงเขาตักเตือนเขา คอีกกลุ่มหนึ่งครับที่พระเยซูหรือพระพีในวันนี้ได้เอ่ย อ, อ, อ้างถึงก็คือพวกธรรมอาจาร์นั่นเองธรรมอาจารย์นะครับก็คือพวกอาจารย์นะครับอาจารย์ที่สอนธรรมะนะครับคือพวกชาวยิวที่คงแก่เรียนนะครับได้ผ่านการเรียนรู้ศาสนศาสตร์ของคนยิว อ, อย่างเป็นระบบระเบียบพวกเขานั้นเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านบทบรรัญญัติครับในขณะที่พวกปริสีนั้นเป็นกลุ่มทางศาสนาพวกธรรมอาจารย์มีหน้าที่นะครับ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าให้เกี่ยวข้องกับการตรีความพระคัมภีร์นะครับการอธิบายพระคัมภีร์การสอนพระคัมภีร์และพวกนี้นะครับเป็นสคริป์นะครับก็คือพวกธรรมอาจารที่เป็นนักเขียนเขามีสิทธิ์ที่จะคัดลอดพกพระคัมภีร์เอกสารต่างๆและหนังสือทางกฎหมายต่างๆนะครับและก็รับผิดชอบในการเขียนบทบรรยัติขนบธรรมเนียมของคนยิวด้วยพวกเหล่านี้ต่างสอนในธรรมศารลายครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์สอนธรรมะนะครับฝึกคนนะครับสร้างคนที่จะมารับช่วงต่อ คนกลุ่มนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะจับปิดพระเยซูที่ได้ละเมิดบทบัญญัติจนเพื่อ ย, ยิ่งบทบัญญรรั ต, ติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวันสะบาโตบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูอ้างตัวว่าเป็นพระบิดาเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องครับตัวแทนจากสองกลุ่มนี้เดินทางมาเป็นระยะ160กิโลจากเยรูซาเล็มถึงคาเปอร์นาอุม่ม160กิโลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับพระเยซูเรื่องของคําสอนนะครับ เขากล่าวหาพระเยซูนะครับเพื่อเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะจับผิดพระเยซูเขาได้โต้แย้งกับพระเยซูเรื่องบทบัญญัติวันสะบาโตนะครับขอ้ออภิปบันทึกว่าพวกเขามาหาพระเยซูแล้วก็กล่าวหาพระเยซูว่าทําไมพวกสาวก ข, ของท่านจึงละเมิดคําสอนที่ตกทอดมาจากบรรพุทธเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ล้างมือตอนรับประทานอาหารมาระโกอธิบายนะครับว่าขนบมทำเนียมนี้มีอะไรบ้างข้อสามถึงข้อที่ห้าได้เขียนไว้นะครับเพื่อที่ให้เราอ่านและเข้าใจ นะครับตามธรรมเนียงคนยิวนั้นเจ้าก็จะมีพิธีล้างมือครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ด้านสุกานาไมเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยยึดมั่นในในบทมั่นยัดของาศาสนาอยู่ครับยกตัวอย่างครับเมื่อจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างจะต้องล้างมืออย่างพิธีพิถีพิถันด้วยน้ําซึ่งจัดเตรียมไว้สําหรับล้างมือนะครับเป็นน้ำพึ่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษครับจะต้องหงายมือและชูขึ้นเล็กน้อยให้เทน้ำไหลลงมาผ่าน มาอย่างข้อมือทั้งสองข้างในขณะที่มือยังเปียกอยู่ผู้นั้นจะล้างมือแต่ละข้างโดยกำมืออีกข้างหนึ่งและมือที่กานั้นจะช่วยให้ทำความสะอาดมือของแต่ละข้างเขาจะกำมือเพื่อที่นิ้วจะได้สะอาดสำหรับที่จะจับต้องอาหารพราะฤษีเชื่อว่าหากไม่ทาเช่นนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์จำพ่อพระพักพระเจ้าผีมันตตานอาจจะมาโจมตีอตอนจะยากจนลงนะนี่คือความเชื่อของเขาครับ กฎคำเนียงเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงคําสั่งอย่างละเอียดเกี่ยวกับพิธีล้างถ้วยล้างชามภาชนะอื่นๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ตกทอดมานะครับในศตวรรษที่สามนะครับคําสั่งสอนที่สืบทอดกันมามีการเก็บรวบรวมเป็นเอกสารเราเรียกว่ามิชนานะครับมิชนาเนี่ยมีความยาวถึงสามสิบบทที่กล่าวถึงอะไรครับกล่าวถึงการล้างภาชนะในการปรับปรุงเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร ขดคเนิยมเหล่านี้มาได้ยังไงครับถ้าเราดูในพระวจนะพระเจ้าอุปยบบทที่สิบเก้านะครับถึงบทที่สี่สิบเราจะรู้นะครับว่าแต่เดิมนั้นบทบัญญัติมีความหมายสองประการได้แก่บทบัญญัติสิประการและหนังสือห้าเล่มแรกที่เรียกว่าเป็นจบันหรือเป็นจะทุกนะครับแต่ต่อมาในเสาที่สี่ที่ห้าก่อนพระเยซูเกิดธรรมจารย์ได้เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้พวกเขาพยายามที่จะทำให้คําจํากัดความและอธิบายความหมายของบทบัญญัติมีการเสริม นะครับเติมแต่งกฎเกณฑ์และข้อบัญญตัตินับหลายพันข้อครับเพื่อให้ชาวอยู่ปฏิบัติตามด้วยเหตุ น, นี้นี่ครนะับพวกปริศญีคิดว่าตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นพวกข้าจารย์ก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่สอนคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิอำนาจเหนือคนนะทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่คือมโนของทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อพระเยซูรู้เรื่องนี้พระองค์ทรงตอบตรงนะครับฟันธงได้ พระเยซูตัดต่อพวกคอริสสีและเรียกพวกเขาว่าเป็นพวกที่หน่าซื่อใจคดทรงจับอ้างอิงอิสยาห์ที่ได้พยากรณ์ไว้กับพวกเขาก็คือพวกเขานั้นเหมือนกับเป็นคนหน้าซื่อใจคดนะครับให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากแต่ใจของเขานั้นห่างไกลจากพระเจ้าขอนำมาส ก, การโดยหาประโยชน์ไม่ได้และด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นข้อดําบรรสอนของพระเจ้าพี่น้องครับอิสยาห์บทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบสามนะครับพระเยซูยกข้อทั้งผีนี้มา โดยแฝงความในนะหรือมีนัยยะว่าแท้จริงแล้วพวกปริศีได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยคําพูดด้วยปากเท่านั้นแต่จิตใจเขานั้นห่างไกลจากพระเจ้าเนะครับสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่กับพระบัญญัตินะครับกับพระกัมพีกับกลายเป็นว่าจิตใจเขาและการะพฤติเขาห่างจากพระกัมพีครับนะครับอันนี้เรียกว่าเสียของนะครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสดูต่อนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับหลายหครั้งทีเดียวที่พระเจ้าได้บอกเขาบอกว่าให้ทําในสิ่งต่างๆนะครับเขากับพลิกนะครับพลิกลินยกอย่างเช่นเรื่องของโกระบานนะครับพระเจ้าตรัส บ, บัญชาให้อิสราเอลว่าให้เกียรติบิรราดามารดาอภยโยบบที่ยี่สิบข้อสิบสองผู้ใดที่พูดไม่ดีต่อ บ, บิรราดามารดามีโทษ ถ, ถึงตายเลยครับในเฉลยบัญญัติบทที่ห้าข้อสิบหกพี่น้องครับธรรมอาจารย์ได้ตีความหมายบัญญัติ 12. นะครับ เกี่ยวข้องกับคนที่จะอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นโกระบาลโกราบาลแปลว่าสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้านะครับเมื่ออ้างว่าเป็นสิ่งของที่ถวายแด่พระเจ้าสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ตามปกติหรือนอกเหนือจากนั้นเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารย์จึงกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดไม่จําเป็นต้องให้สิ่งใดนะครับไม่เกิดเป็นของ นะครับหรือไม่เมเงินทองให้กับวิามารดาท่านตนได้ประกาศว่าสิ่งที่มีเป็นของพระเจ้าก็คือเป็นของถวายแด่พระเจ้าเป็นโกรธบานไปที่แล้วเพราะฉะนั้นบิดามารดาจึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูจึงไม่ได้รับของต่างๆนี่จากพวกหน้าซื่อใจคดประเภทนี้นะครับในข้อที่หกครับพระเยซูตรัสว่าอย่างนั้นแหละท่านหลายทําให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมืนไปพี่น้องครับนี่คือ ความหมายของคําว่าหน้าซื่อใจคดรับแต่ปากแต่ใจไม่ไปครับรับแต่ปากแต่มือไม่ทำครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเรานี่ครับวันนี้นี่คือความมืดมัวฝ่ายวิญญาณ น, นี่คือสิ่งที่เป็นคําอธิบายของพวกปริศและพวกธรรมจารนะครับในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับอย่าให้เกิดความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครับให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดให้เราเห็นนะครับและเราจะไม่บิบดิ้วนะฮะ เราจะไม่ เ, เล่นแร่แปรธาตุในสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแล้วมาตู่เอาว่านี่เป็นสิ่งที่ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคนที่หน้านะครับซื่อใจต้องตรงนะครับอย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดอาเมน